ทรงบัญญัติณกรุงสาวัตถีถามทรงปรารบใครตอบทรงปรารบภิกษุณีหลายรูปถามเพราะเรื่องอะไรตอบเพราะเรื่องที่ภิกษุณีหลายรูปเข้าไปสู่ตระกูลในเวลาวิกาลปูหรือใช้ให้ปูที่นอนโดยไม่บอกเจ้าของบ้านแล้วนั่งในสิกขาบทที่เจนั้น มีหนึ่งพระบัญญัติบรรดาสมุดฐานแห่งอาบัติหกสมุดฐานเกิดด้วยสมุดฐานสองสมุดฐานเป็นกธินะสมุดฐานละ